น้อมน้อมต่อคุณพระตนาตะไลขโอกาสหลวงพ่อกรมเคื่องสัตหีบทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่า น, า น, าน <c oughs> วันนี้ก <c oughs> ็อย่างที่อาจารย์สุรินทร์บอกนะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันที่ชาวบ้านก็จะทำบุญกันนะปีหนึ่งก็ทำเหมือนกับเป็นวันเบิก บ, บ้านปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่ว่าเขาได้ทำบุญกัน แล้วก็เขาก็ได้มีโอกาสาาาได้รับศีลนะได้ฟังธรรมด้วยนะก็เป็นสิ่งดีๆที่ชาวบ้านก็จะได้รับนะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาใส่บาตรก็จริงแต่เขาก็ไม่มีโอกาสมาวัดไม่ค่อยมีโอกาส ร, รสับศีลไม่ค่อยมีโอกาสฟังธรรมนะเขาก็อาศัยการให้ทานเป็นหลักอะคันนี้มีโอกาสเช่นนั้นมันก็มีโอกาสที่ว่าเราก็อาจจะมีโอกาสไปพูดธรรมะเขาฟังบ้าง ก็เป็นประโยชน์กับเขานะเพราะว่าเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวพุทธนะถ้าเข้าถึงตัวธรรมะท่แท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การให้ทานรักษาศีลแต่ว่าเข้ามาสู่การรักษาใจเนี่ยเป็นหลักรักษาใจก็คือการตามรู้กายตามรู้ใจไปตามความเป็นจริง นะรู้ตามทีอาการต่างๆที่เขาเป็นนะไม่ใช่ว่าเราตามรู้แล้วเขาจะต้องดีตามที่เราต้องการเสมอไปอันนั้นไม่ใช่นะแต่เรารู้ตามที่เขาเป็นจริงเท่านั้นเองนะเขาจะไม่ดีก็ได้เราก็รู้ไปนะตามความเป็นจริงเช่นนั้นนะรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางนะไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เมื่อเรามาเห็นกายบ่อยๆ เห็นใจบ่อยๆนะที่เขาแสดงความเป็นจริงบ่อยๆนั่นแหละเราก็จะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเราก็บังคับบัญชาก็ไม่ได้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางกายและใจอยู่เสมอๆนะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราค่อยๆที่จะคลายความยึดติดสิ่งต่างๆได้มากขึ้น เห็นนะความเปลี่ยนแปลงทางกายเรากลับมาสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายบ่อยๆนะในการที่เขามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบางทีเราก็รักษาเขาขนาดไหนนะเขาก็ยังไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีการไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่เสมอเสมอบ่อยๆนะ ถ้าคนยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าไม่ไปคิดแต่งหน้าแต่งตามากเกินไปจะเห็นในตรงนี้ชัดเจนนะมันบางทีเห็นแล้วโอ้ถ้าตื่นมาเช้าๆนี่เราจะดูหน้าเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนก็ไม่ใช่หน้าเรานะบางคนถ้ามีแต่งงานใหม่ๆบางทีสามี ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าภรรยาตอนเช้าแต่เคยเห็นในตอนที่เขาแต่งหน้าสวยงามแล้วนะพอแต่งงานได้ปุ๊บภรรยาไม่อยากให้สามีเห็นหน้าในตอนเช้าเลยนะต้องรีบตื่นก่อนนะต้องรีบทําธุระนะล้างหน้าล้างตามาแต่งหน้าให้สวยงามก่อนสามีนะสามีจะได้เห็นความสวยงามทุกๆวันนี่แล้วก็คือความทุกขนะ์ที่ว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้แต่ว่าเรา ไม่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเราในขณะที่เรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่สวยไม่งามเชนนั้นนะมันก็มีความเสื่อมไปเรื่อยตลอดเวลานะปวดเขา่าปวดแข้งเดินก็ไม่ได้มาสมัยก่อนจะทำอะไรมันก็ไม่คล่องไม่แข้วนะตาฟ้าฟางหูก็ระตอ่งผมก็งอกผิวก็หย่อนไปเรื่อย มันควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าก็อย่างหนึ่งเลยนนร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะลุกนั่งยืนเดินก็แก้ทุกไปเรื่อยๆถ้ามันตามเห็นเรานี้ไปติดมันก็เริ่มที่จะคลายความยึดติดในขันห้านี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามีโอกาสไปงานศพนะงานศพนี้เป็นงานที่มีประโยชน์มากนะบางทีไปงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่างๆเนี่ยยังสู้ไปงานศพไม่ได้ งานศพเป็นงานที่ว่าเรามีโอกาสไปพิจารณาความเป็นความเป็นตุดท้ายในชีวิตเรานั่นแหละอย่างเมื่อไม่นานก็มีการเผาศพที่วัดเราที่ก อ, องปอนก็คนคนที่ได้รับการเผานี่ก็รู้จักอยู่ประจาเมื่อก่อนก็ใส่บาตรอยู่สายวังคีเป็นคนที่นี่ใส่ดีน ะ, ะคือเห็นหน้ากับทุกวั น, นแล้วก็ ตอนมีงานศพที่บ้านก็ได้ไปสวดมนต์นะแล้วก็ตอนเผาก็ได้ไปอยู่ร่วมงานเผาด้วยแล้วก็ได้เผาสดๆเผนะาเชิงตกราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะที่ว่าโดนเผาในตรงนั้นนะก็เห็นว่ามันมันก็เหมือนกันเช่นนั้นนะถ้าใครที่ไปงานศพนี้ก็ได้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้นะเป็นมรณาสตนะิเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน มันก็จะได้ค่อยๆคลายความยึดติดในร่างกายเราะตรงนี้มันถ้าเราเข้าใจธรรมะมันก็ค่อยๆคลายไปเองนะมันจะรู้สึกว่าเอมันก็ร่างกายของเรามันก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะอย่างถ้าใครเคยเห็นรูปสมัยเรายังวัยรุ่นมีความอล่อมีความสวยงามหน้าตาก็ดูดีนะถ้ามาเทียบกับตอนนี้ถ้าเราอายุมากแล้วเราดูว่ามันเหมือนกับคนละคนกันเลยะแต่มันมีเข้าของเก่าอยู่แต่มันเหมือนกับเป็นคนละคนกัน นะตอนนี้เราตรงข้ามนะเมื่อก่อนเราดูดีเดี๋ยวนี้เราจะดูไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ได้ชัดนะก็คือจริ ง, รงๆไล่คนเก่ามันก็ตายไปต้งนานแล้วนะมันตายไปแล้วและเราจะกลับเป็นคนเก่าเนี่ยไม่ได้แล้วแต่คนปัจจุบันนี่แหละก็คือคนใหม่คนที่มาเกิดใหม่นะมันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นคนเก่าหรอกอืจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันออื เราจะเห็นได้ชัดอในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานะใจของเรานี่จริงๆถ้าเรารู้เท่าทันนะั่นมันจะเป็นสิ่งที่ว่าเป็นความอสนุกอย่างหนึ่งในการที่เราสามารถค่อยดูคอยรู้เขานะเขาก็มีอารมณ์ต่างๆไปเรื่อยๆนะอเขาจะพอใจไม่พอใจของเขาอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครที่สมัยก่อนที่ไม่ได้ประบาดทำในตรงนี้มันจะมีตรงนี้อยู่เยอะเลยแต่เมื่อก่อนเราจะสังเกตไม่เป็น นะแต่พอเราเริ่มสังเกตเป็นจะรู้สึกมันมันไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะจะรู้สึกว่ามันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นกลางๆอยู่เรื่อยๆมันไม่ค่อยรุนแรงมาสมัยก่อนนะแต่ถ้าใครที่มีความรุนแรงปรแป๊บเดีจะเริ่มสังเกตได้ชัดขึ้แล้วเ อ, อมันมีสังเกตให้เราได้เห็นอยู่ชัดเจนนะในความเปลี่ยนแปลงสิ่งพวเนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะความพอใจความไม่พอใจความรักความชางัง ค, ความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆอะไรมันก็แสดงเราเห็น อยู่เรื่อยๆนะนะแต่นี้ถึงแม้เร า, าคนที่ปฏิบัติธรรมไปพอสมควรแล้วจะเริ่มสังเกตว่าใจก็เป็นกลางได้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไม่ค่อยไปที่จะไปให้ค่ากับลมต่างๆเหล่านั้นเท่าไหร่นะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ว่าเรากระทบลมเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่าแม้จะใจที่เป็นกลางนะใจที่รู้สึกเฉยๆ อันนี้เราก็ต้องสังเกตให้ได้นะเพราะมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระทบอะไรมันสบายๆไปกลางๆก็ต้องสังเกตให้ได้นะเพราะนี้มันก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งคือทุกข์มสุขเขเวทนานะสังสึกสังเกตดออูจิตใจเป็นอย่างไรบ้างนะคราวนี้เราก็จะเห็ น, นหลายๆอย่างว่าเรายังมีความยึดติดอะไรไหมนะ ความยึดติดนั่นแหละมันก็จะนําความทุกข์มาให้เรานะตลอดเวลานะคนเราไปยึดอะไรเราก็จะทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนะมันหลีกไม่พ้นนะบางคนอ่าไปบัตรแล้วจิตสงบดีนะโดยเพราะถ้าใครที่ฝึกสมาธมามีความสงบดีแล้วเนี่ยถ้าไปติดความสงบแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบใจกับสิ่งที่มารบกวนความสงบเหล่านั้นนะต้องคอยรักษ า, าไว้นะ นะแต่ได้ยินเสียงอ่หมาเห่า <c oughs> สุนัขเห่านะเสียงรถยนต์วิ่งนะเลี้ยงหรือเสียงคนพูดคุยกันก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะอันนี้เป็นเพราะว่า เ, าเกิดความยึดติดขึ้นมาแล้วนะยึดติดในความสงบเหล่านั้นแล้วก็อ่สิ่งใดที่มันทําให้เราไม่สงบเราก็จะไม่ชอบใจในสิ่งเหล่านั้น นอันนี้มันจะตรงกันข้ามเลยนะว่าแทนที่เราจะปฏิบัติแล้วเราจะปล่อยจะวางจากความยึดติดแต่เราก็กลไปไปติดนะในสภาวธรรมสภาวะใดหนึ่งนะทให้เราเนี่ยรู้ไม่ทันก็ไปนะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนะการปฏิบัติธรรมจึงต้องสังเกตใจให้ไวว่านะไปติดในสภาวธรรมอันใดไหมนะถ้าไปติดสภาวะธรรมอันใดแล้วมันก็จะนำนะความทุกข์มาให้เรา มันมันจริงๆก็คือไม่ถูกต้องนะเพราะทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติรมแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจิตมันจะเกิดการปล่อยการวางกายไม่จิตติดในทุกๆสภาวธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าสภาวธรรมนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันก็จะปล่อยวางทั้งหมดเพราะมันรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยึดติดมันก็เกิดการปล่อยการวางทุกอย่างมันจะเริ่มที่จะเกิดการคลายออก ที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆนะมันจะกลายเป็นว่ามันสัตว์แต่ว่าไปทุกๆอย่างทุกๆลมเนะียถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจิตก็จะก้าวหน้าในการอปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนในี่สุดเขาก็จะคลายความยึดติดได้ทุกๆอย่างนี่มันก็อก็เป็นเหตุให้เรานะไม่ต้องไปสเวสวยอสภาวะธรรมที่จะนําให้เกิดในภพภูมิต่างๆนะ พอภพภูมิต่างๆนั้นก็คือที่เราจะต้องไป อ, อยู่ในภพภูมินั้ น, นจิตเราจะไปเข้าสู่ภพภูมินั้นก็คือจิตเราไปตรงกับสภาวะธรรมของภพภูมินั้นนั่นเองนะเช่นในนรกนี่ก็จะเป็นสภาวะแห่งความโกรธนะถ้าจิตเราไป อ, อยู่ในความโกรธนะหรื อ, อจิตมัน ต, ติดติดในความโกรธบ่อยๆนะมันก็จะมียนุสใสกิเลสตัวนั้นเยอะเราก็ตายแล้วก็ไปลงในนรกนะ มีความโลภมากๆแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตุรกายนะมีความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดชานเป็นคนติดในความดีนะติดในบุญกุศลก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะหรือไปติดในบุญกุศลมากๆทำกุศลมากๆนะก็ไปติดไปเกิดเป็นเทวดานะไปติดในฌานนะในนะสมาบัติต่างๆก็ไปเกิดเป็นพรหมนะนี่เพราะว่าจิตเราเนะี่ยไปสร้างภพภูมิไว้แล้วนะ ภพภูมิก็คือเราไปมีสภาวธรรมเช่นนั้นนะเราก็ไปไปยึดนะในติดอยู่ในจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็คือจิตเราต้องปล่อยวางทุกสภาวธรรมนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปอยู่ในสภาวธรรมสภาวใดหนึ่งนะ ถ้าไปติดในพระวธรรมใดแล้วนั่ น, น ก, ก็คือภพภูมิที่เราจะต้องไปเวียนบายไตยเกิดไม่มีที่ส้นสุดนะอันนี้จริงจะเห็นว่าจริงๆแล้วในที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วนะว่าผู้ใดที่ปฏิบัติแล้วนะได้เข้าถึงเป็นการละซึ่งสังโยต์ทั้งสิบนะก็จะไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็คือเป็นพระรหันนะอันนี้เป็นการที่การปล่อยการวางทั้งหมดทั้งหมดเลย นะนับตั้งแต่การละสกฤตญาติฐิเป็นต้นไปสกฤตญาติถิก็คือความที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี่แหละเพราะถ้าตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะั้นถ้าเราผ่านความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็คือกายและใจของเราได้นะสังยตยชนอื่นมันก็ละได้ง่ายมันเป็น ส, สิ่งที่ละได้ไม่ยากเลยนะต่อมามันก็ต้องละอ่ความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปนะละ ศีละประตัปรมากก็คือความที่เราไปยึดติดในศีละพจน์ต่างๆที่ไม่ใช่พระพรตตะไตนตนะละต่อมาเราก็ต้องละในปฏิฆะความไม่พอใจต่างๆนะความที่เราโกดเคืองอความหมุนหงิดความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆก็ต้องละไปนะต่อไปเราก็ต้องละการมรลาคะ ต่างๆให้ได้นะในรูปรดกลิ่นเสียงผลพัฒนธรรมรมนะต่อไปก็ต้องละอความยึดติดในอในรูปนะในรูปทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นรูปนะรูปกายรูปใจหรือรูปนิมิตต่างๆนะติดในนิมิตนั่งสมาธิแล้วยังได้นิมิตไปติดในนิมิตนั้นก็ชื่อว่าเรายังติดในรูปราคานะ แล้วก็ต้องละการที่ติดในอารูปต่างๆนะอรูปต่างๆนำให้ไปเกิดเป็นอารูปภพรมก็ต้องไม่ติดในอารูปต่างๆเหล่านั้นมีเสียงนะมอาจจะมีเสีย ง, ยงอ่าง อแต่คราวนี้นะั้นเราก็อ่จะเห็นในสิ่งต่างที่ว่าเราไปยึดติดในสิ่งต่างเหล่านั้นนะเช่นอะารมณ์พมนะมีการยึดติดในมานะนะว่าเรายังดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาหรือเราเสมอเขาอย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่อาทาให้เราไปเกิดได้นะอมีความติดนะในความฟุ้งซ่านทั้งหลายนะ จนทั้งมีความติดในวิชชาอนะวิชชาต่างๆในการที่เราไม่รู้ในสิ่งต่างๆนะไม่รู้ในความทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกขนะ์ไม่รู้ในการดับทุกข์ไม่รู้ในหนทางแห่งการพ้นทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นเหตุให้เรานะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดสุดสุดนะพอเราละในสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วนะนะมันเรียกว่าเราละสังโยชน์สิบ ใดทั้งหมดก็คือละการยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายอละจากการที่เราจะไปติดในทุกทุกสภาวธรรมอทุกๆอย่างออกจากใจเราทั้งหมดเลยนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยมันก็จะเป็นรู้เป็นผัเป็นพระหรหันต์เนี่ยเราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วนัในสังโยชน์นี้ไม่ได้ให้เราไปบัตรเพื่อให้เราติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าการที่เรากระตรุ้นโดยการที่เราจะเดินด้วยอสติสมาธิปัญญานั่นแหละ เพื่อให้เราถึงการละสังหารนะไม่เราไม่ใช่เราไปบัติแล้วเราไปติดในสภาวธรรมเหล่านั้นสติสมาธิปัญญาแต่เป็นหนทางให้เราละนะจากสภาวธรรมทุกๆอย่างนั่นเองนะจิตมันจึงจ ะ, ะคายมาได้จริงจริงนะจึงไม่มีภพไม่มีภูมิจริงๆนะอันนี้เราจึงต้องสังเกตว่าเราไปบัติแล้วเนี่ยเรามีความประยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไหมนะยังสามารถที่จะละ ทุกๆสภาวะรมได้ไหมตรงนี้เราก็จะได้เห็นแล้วเราจะเข้าใจในความเป็นจริงเช่นนั้นนะอันนี้ช่วยดับไฟฉายนิดนึงเข้าตามันก็เราจากเราเนี่ยถ้าจิตเราเริ่มที่จะปล่อยอยู่จะวางแล้วนะเราจะสังเกตตัวเราเองได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะว่าการที่มันปล่อยจริงๆแล้วเนี่ย มันมันมันจะค่อยๆเรียกว่าเราจะจะสามารถที่จะชั่งมันหรือว่าจะเป็นธรรมดาทุกอย่างนะมันจะเป็นเช่นนั้นเองได้ใจมันจะเริ่มคลายๆออกน ะ, ะยกตัวอย่างมันที่ลงพ่ชานะั่นแหละท่านก็บอกทุกอย่างมันไม่แน่น ะ, ะในสุดท่านก็สรุปว่าทุกอย่างก็ไม่แน่นั่นเองอเพราะว่าท่านในตรงนี้นะท่านก็เห็นแล้วว่ามันมันเป็นการที่มัน <c oughs> มันไปยึดมันอะไรไม่ได้นะท่านเก้าขับเนี่ยมาให้ลูกศิษย์นําไปใช้นะอมหรืออย่างสมัยก่อน <c oughs> สมัยก่อนนั้นจะมีอ่มีบาศกคนหนึ่งนี่เก่งมากนะท่านชื่อบาศกเปียรักแท่มาเป็นลูกศิษย์ของแมชีอ่กีนานายน์หรือกอข่าสุนหลวงอายุท่านเก้าสิบกว่าแล้วนะอ่าท่านก็ตอนหลังนี่ก็ลื่นหกล้มในห้องน้ําท่านก็ ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะแบบเป็นเป็นโรคที่ว่ามีความเจ็บปวดมากแล้วก็มีผู้ที่นำยามาให้ท่านนำยามาเพื่อที่จะให้ระ ง, งับเวทนาท่านก็บอกว่าเวทนาไม่มีอยู่แล้วจะไประ ง, งับอะไรนะแล้วก็มีผู้นำพาหมอมารักษาท่านนะท่านก็บอกว่าออมันมันไม่มีอยู่แล้วนะไอ ตัวตนหรือเวทนาทั้งหลายเนี่ยจะมารักษาอะไรนะครับมีผู้ที่นำอาหารอ่อนๆมาให้ท่านท่านบอกว่ามันมันไม่มีเวทนาแล้วจะมาอาหารอ่อนๆมาทาไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่านนุนท่านจิตท่านวางได้หมดเลยทุกทุกอย่างท่านวางหมดมาแต่ร่างกายจิตใจก็ไม่ใช่ของท่านนั้นก็วางหมดเวทนาก็ไม่มีทั้งท่านที่จริงๆร้าเจ็บป่วยเยอะ นะแต่ท่านก็เห็นสิ่งเหล่านั้นมันไม่มันมันคายออกมันไม่ยึดมั่นถือมันในตัวตนนี้แล้วมันก็ละหมดนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้ท่านจะมีส่วนหนึ่งว่าท่านสามารถสรุปได้แล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมดานะการทุกอย่างนะเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองนะมันก็วางหมดได้จริงๆนะทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไม่รู้หนังสือนะแต่ท่านอาศัยการที่ว่านะท่านก็ปฏิบัติ ฉชนั้นมาจนกระทั่งจิตเข้าใจในความเป็นจริงนะในกา้าวร่างการรู้จิตใจนี่แหล ะ, ะจิตก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็คลายออกโดยตัวเขาเองนะอันนี้การปฏิบัติธรรมก็คื อ, อให้ให้เขาให้จิตเขาเข้าใจนะบางทีเนะ่ยเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจแต่จิตว่าเรายังไม่เข้าใจนะแต่ต้องอาศัยะระยะเวลาในการที่จะบ่มเพาะ ความเข้าใจของจิตให้เกิดขึ้นนะพอจิตเข้าเข้าใจในความที่เป็นความอนิจจังอนะทุกขังหน้าตาไม่ตัวไม่ตนนะบังคับบัญชาไม่ได้นะจิตเขาก็จะปล่อยของเขาเองเลยนะเราไม่ได้ไปคอยปล่อยนะนะแต่ว่าแต่เราใหม่ๆเราต้องให้ข้อมูลกับจิตเราให้เพียงพอนะนะการให้ข้อมูลของเขาก็คือให้เขาเห็นบ่อยๆในความเป็นอนิจจังทุกขังหน้านี้แหละ เมื่อเขาเห็นได้บ่อยๆแล้วนะจิตก็จะเริ่มคลายออกเองคลายจากความมิดมั่นของเขาเองนะเป็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดถึงเขาเองอไม่ใช่เราไปคอยละคอยปล่อยแต่ว่าเราให้ข้อมูลเขาเท่านั้นเองในความเป็นจริงนะในความที่ว่าให้เขาเห็นบ่อยๆในความไม่นนิจจทุกขังนัตานี่แหล ะ, ะหรือถ้าเขาไม่เห็นจริ ง, รงๆเราก็สามารถที่จะช่วยเขาในการที่จะช่วยสรุปเขาให้เขาฟังได้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา อ า, อาจจะมีคำพูดบางอย่างให้เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นก็ได้ช่วยเขาสรุปในความที่ว่าทุกอย่างเ ป, เป็นเช่นนั้นเอ ง, งไปใช้สองนาฬกานหนึ่งกี่โมงแล้วไม่เป็นไรนะฝนก็ยังตกอยู่อีกห้านาที เนี่ยอย่างบางทีเรานะมีฝนตกมีฟ้าขะนองเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องอธรรมดาไม่ไมป่ไรำคาญันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสองเองจะได้ไม่เข้าหน้าคน <c oughs> บางทีอ่าก็เคยไปบินระบาดบินระบาดไปก็ไม่ได้ลมไปนะฝนก็ตกนะ ก็ไม่ทุกข์อะไรนะอันนี้มันไม่ว่าไม่ทุกข์เพราะว่ามันนั่นแต่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราหนีไม่พ้นในไปบินรบาดในพรรษาที่ผ่านมาก็เปลี่ยนโตเปลี่ยนหมดเลยมันมันไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบก็บอกบอกภาคที่ไปด้วยกันโอ้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะลุยเลยภาคก็ชอบเดินบินรบาดไปอย่างนั้นเลยฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับโอ้ฝนตกนี่เราเรารับไม่ได้ต้องหาที่หลบฝนเดี๋ยวจีวรเปลี่ยนหมดเราจะทําอย่างไร นั่นเป็นเรื่องความทุกข์แล้วนะแต่เราก็ลุยไปเลยเปียกก็เปียกไม่เป็นไรเนี่ยเราสู้ได้ปั๊บมันก็ไม่ทุกข์เลยนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตเรามากกว่านะบางทีเกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะเกิดเหตุการณ์เหมือนกันอนะมีความทุกข์เหมือนกันนะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ทําไมคนนึงทุกคนนึงไม่ทุกข์ออันนี้ก็เพราะว่าเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะอืมนะนะนะความสูญเสียเหมือนกันอ่านะสูญเสียคนรักเหมือนกัน นะแต่คนนึงทุกข์มาก เ, ออเราสูญเสียคนที่เรารักเราทุกข์มากแต่คนหนึ่งสูญเสียคนที่รักเราไม่ทุกข์เลยนะหรือมีความทุกข์น้อยมากนี่ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมเพราะเราก็มาฝึกในการที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นบ่อยๆในการปล่อยการวางได้นะแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆนะให้จิตเ ข, เข้าใจแล้วเมื่อเขาประสบสิ่งนั้นจริ ง, รงๆเขาจะไม่ทุกข์เลยนะเนะี่ยมันจะตรเงินข้ามกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม เนีพราะจิตที่มันปล่อยมันวางมันละนี่แหละมันเป็นจิตที่ว่ามันจะพ้นทุกได้อย่างแท้จริงเนาะเพราะนั้ น, นอันนี้ก็พีน่ยฝากไว้ให้พวกเรานะว่าการบัตรธรรมนี้เราไม่อยากจะไปติดในอะไรอย่าไปยึดมั่นในอะไรอย่าไปอยากได้อะไรเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆปล่อยค่อยๆละค่อยๆวางเขาได้เองเนาะขอทุกท่านมีความเจริญในธรรม